ต้องนิ่งซะก่อนมันไม่อยากออกมันเหมือนดึงสายยางนี่คือว่ามันชี้เกียร์อาว่าพูดชี้เกียร์นะแต่ก่อนมันไม่เป็นตั้งแต่มิ่งๆแล้มันก็ได้เต็มคือท่าถขันขันมันยังดีมใช่เลย เป็นตามหลักธรรมชาติของมันเราก็รู้เช่นเวลาคิดอะไรมากๆคิดเรื่องนั้นเรืมี้กะทั้งตวงนี้นานๆเขาเป็นมันหดเข้ามาหดเข้ามามันยบบคักของมันอันนั้นเราก็รู้เช่นอย่างเราเลื่อนทิมพ์ดีอย่างนี้พิมพ์ต้องเอาสัญญาออกไปจับกักแป้นพิมพ์นี่ กลับไปกลับมาบังเข้าไปมาหน่อดเข้ามาออกมาไม่ได้เรื่องต้องมาหยุดพักนอนภานะวนาอย่างนี้พักติดแล้วก็รถใครยังเริ่มมารับพวกนี้เหรอฮึแม่น้ำอยากไปหยุดมันคาดขันมันเพียร์มันก็เป็นอย่างนั้นนี่ต่อมาไม่ไม่เป็นอย่างนั้น มันมากกว่าคนนั้นอยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่อยากคิดคิดอะไรอะไรเนี่ยมันหยุดของมันมันไม่ไปสมมุติว่าเดินไปอย่างนี้จะถ้ามันหยุดตรงั้นต้องหยุดขืนก้าวไปไม่ได้นะเพราะมันไม่ออกนี่เมื่อไม่ออกมันก็ไม่มีสมมุติข่านไม่ออกเดินพักนี่กับพักนี่ไงเดินแล้วมันก็ตกไปเลยนี่ของมันไม่ได้รู้ว่าอันนั้นเป็นพักนั้นนี่เป็พักนี้พ่อะมันไม่แยกออกไป ยเยแต่สวดอะไรอะไรอยู่ ม, มันก็หยุดตรงมันนึกอะไรมันนึกไม่ออกมันนิ่งมันถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยุดซะก่อนนี mm ่ hmm. เด่นแท้แล้วข mm hmm. ี้เกียจก็ทุกอย่างทุกอย่างนะเป็นของมันแล้รู้ว่ามันอยู่งั้นแล้นี mm ่นะทัดว่าเป็นเครื่อง mm hmm. เครื่องมือจรงิงๆมันคอยหด กูดค่อยด่วนก็ไปอันนี้จังอันนี้จังอนจังเลยผู้ฟังอนาตางไปด้วยกันนี่เป็นี้สุดมากเหนื่อยไม่อยากจะเล่นกับใครแล้วนะทนน้อยเฉยนะใ ห, ให้เป็นตามมัธยาศัยเราโน่นอะมันคิดถึงป่าถึงเขาหนุนนะแปลกอยู่นะมันไม่อยากมาอยู่ทีบ่บ้านตามเมืองตามอะไรเฮ้ยเป็นโลกอันนั้นเป็นโลกอันนี้ มันอยู่เมียมันจะเป็นยังไงจะเป็นนี้มันไม่สนใจเลยเนี่ยมันไม่เคยเป็นอารมณ์กับเรื่องโรคเรื่องยาว่าจะเป็นยังไงเป็นนี่มาห่างอยู่อย่ยาวดีไม่ดีอยู่งั้นมันสบายของมันเลยมันจะเป็นอะไรไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยวเราปกติไม่ขาดไม่เกินเอียบททั้งสี่เสมอไม่ขาดไม่เกินดูสบายนั่นตามปฏิยาใจ มีระบาดมามีอะไรก็กินเท่านั้นแล้วไปเลยเพราะมันไม่อยากนี่วันหนึ่งวันหนึ่งจะมีหรือมีอยากอะไรไม่มีทุกวันนี่นะไปเฉยๆกินรบาทเห็นอาหารอย่นี้มันก็มันกับวัตถุต่างๆไม่มันไม่ได้เหมือนอาหารอันนั้นมันจะสัมผัสทีนึงยิบๆท่าอย่างนั้นทันได้นะแต่มันมีมันเป็นเดือนๆก็ไม่มีมันเฉยเลยเฉยก็ยังดีกว่าที่มันเบื่อเลย อย่างวันที่เป็นอันนี้พอตกตอนเช้ามามันไข้แค่ตอนคืนตอนเช้ามาเบื่อหมดเลยแล้วก็ทนเอานอั้นะเพราะมีแขวงมีค น, น, นมีเต็มไปหมดสเทือนจิตใจหูตาคนมากไปทนเอาฝืนเอาแง่ก็ฝืนกวามรค้กันเนี่ถ้าตามปกติของเราฝืนมันไม่ทําไมไม่อยากจเกินที่เถ่นั่นพอ เราเคยปฏิบัติมนอยู่แล้วห้องเหมาะพอดีกันขนาดไหนก็ปฏิบัติต่อกันขนาดนั้นเช่นไม่อยากไม่หิวไม่อยา ก, ไ ม, ยากไม่กินฟื้นไม่กินเสียเนี่ยมันก็สบายไปตามเรื่องของมันอ้นี้มันอยู่กับโลกทันทำอะไรขังเราก็เป็นโลกโลกทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องกับขันอยนี้มันก็เป็นโลกเดีวยวกันฟื้นปฏิบัติต่อกันนมาพยายามสอนหมูสอนเพื่อน ช้อนอยังเต็มเม็ดเต็มหน่อยซ้อมเต็มหัวใจการส้อนมู่เพื่อนไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับเปิดเผยเอาด้วยความรำให่ก็คือความท้งสารมันเปิดเหตุให้รากให้ดึงมาหมดอยากให้รู้อยากให้เห็นทำพระพุทธเจ้าให้สดสดร้อนร้อนประกาศกังวันให้โลกดินแดนได้ยินอยู่ ตามตำหนักเวลาก็ประกาศเข้ามาในหัวใจของผู้อ่านผู้ได้ยินได้ฟังจะไปไหนเข้ามาตรงนั้นสดสดล้นล้อนลอนู่มาเลยพบหมุนขึ้นรับกันให้เหมาะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาการปฏิบัติเหมาะสมที่ควรจะได้ปรากฏสมาธิทำขึ้นภายในใจสมาถะทำขึ้นใน ใ, นใจมันก็รู้ปรากฏขึ้นที่ใจ ปรับใจควรจะเป็นอิปัฒนาธรรมจะเป็นขั้นใดก็าตามก็ปรากฏขึ้นมาโสดโดร้อน้อนอย่อางนั้นมีการมีสถานที่วเวลาที่ไหนสำคัญที่การปรับใจองตัวให้เข้าสู่ระดับธรรมที่คอยสัมผัสซึ่งมีอยู่แล้วคุณไงไงที่คอยที่จะสัมผัสจิตที่ปรับขึ้นให้ถูกต้องเหมาะสมกันให้ทราบขึ้นภายในใจตัวเอง ดูตลอดเวลาจึงว่าอาการิโกอาการดิโกการปฏิบัติให้มันรู้ทำเห็นทำเข้าไปเดินดัด่งด่างทำเหล่านั้นจะห่างจากไกลที่ไหนจากตัวของเราเป็นธรรมทุตสนร้อ น, อ น, อนเช่นว่าอาการดิโกก็ขึ้นอยู่ที่ใจนี่เลยเพราะปรับไม่ถูกเลยอาการดิโกอาการิโ ก, า ก, าโกนี่สวคขาโตสวก า, าโตเหมือนกัน แต่ได้ชอบแล้วชอบแล้วถูกต้องปฏิบัติให้ถูกให้เหมาะสมทำอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรสัมปัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือสำหรับรับกระแสแห่งสิ่งสัมผัสทั้งหลายเข้ามาสู่ใจเพื่อพิจารณาให้เป็นธรรมระดับตัวเองตัวเองเท่านั้น มีเวลาผลที่เกิดขึ้นจากการเอามาค่อยๆเอามาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาเพราะปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจนี่เมื่อเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจมัเกิดขึ้นที่ไหนพุทธเจ้าปราิพันธ์ไปนานแล้วเป็นเก่กเรื่องของธาตุของขันที่เปลี่ยนสภาพไปสู่ ความจริงของเขาตามาธาตุเดิมของเขาอยู่ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็มีเท่นั้ น, นธรรมชาติอันนี้แม้จะยังอยู่ในประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้รับผิดชอบก็มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกันกบใจดินก็เป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่ขณะแรกที่เข้ามาผสมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้นําก็เป็นน้ําอยู่แล้วลมไฟเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้ว จิตก็เป็นจิตเป็นแสดงว่าจิตมันมีสิ่งแทรกซึอมีสิ่งลุกลามอยู่ภายในมันจึงลุกลามออกไปยึดไปถึงไปแทกไปสิงสิง่งอย่างนั้นแล้วกเกษตสารทัานรอขึ้นมาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของนั้นเป็นอนันนั้นอวัยวะนั้นเป็นนั้นเป็นนั่นไอแตกแขนงออกไปแตกไปปัสาวะยิ่งยึดยิ่งถือยิ่งกว้างยิ่งขวา ง, ย, ง, วางยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดาบหาเวลาเปิดเผยตัวเองออกมาให้รู้ไม่ได้ นี่เรื่องของกิเลสมีแต่ทาให้มืดไปทางนั้นไปกว้างขนาดไหนมืดกว้างขนาดนั้นหนักกว้างขนาดนั้นทุกมากขนาดนั้นเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นมีหเรื่องมันมาดั้งเดิมทั้งๆเดียวก็เป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟยอยู่นั่นแหละอะไรก็เป็นอันนั้นอยู่ตาเห็นกับมันก็มีอยู่ตั้งแต่ยังไม่เห็นเสียงก็มีอยู่ั้งแต่เรายังไม่ได้ยินก็สําคัญีจิตไปเสียกสันขึ้นมา พอสัมผัสปั๊บทางนี้กับภูมิปั๊บสาคัญมันหายไปปุ๊บปุ๊ป๊แล้วเรื่องหลงต่อหลงมันก็ตามกันไปยาเวเหยียดหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ขึ้นชว่ากิเลสอยากเข้าใจว่ามันมีสถานีไม่มีหาที่จอดแหวนไม่ได้ถ้าทําแล้วมีพอถึงขั้นใดภูมิใดแล้วอิมวอ่มตัวอิ่มตัวนะครับตั้งแต่ขั้นสมาริขึ้นไปสมาริเต็มภูมิแล้วอิ่มตัว ไม่อยากได้สมาธิอะไรอีกเต็มตัวแล้วปัญญาเมื่อก้าวไปก้าวไปเต็มภูมิแล้วก็เหมือนกันก้าวไปเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสให้ทิพไห์วายวอดไปหมดจากใจแล้วปัญญาก็อิมอกกอ่มตัวยิดก็อิ่มตัวนั่นแหละทำมนการมีความอิ่มพอถ้าโลกแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้โลกก็หมายัึงกิเลสนั่นเอง มันหาความอิ่มพอไม่ได้มันจะขยบเรื่อยขยบเรื่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกิเลสเราจะหาความสุขเพราะการตามกิเลสนี้ยึงไม่มีวันเตอมีแต่สัญญาอารมณ์คาดไปหมายไปมาไปความสิงไม่มีตามนั้นเลยไม่ว่าคนทุกข์คนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาด มันร้อยทั้งร้อยต้องเป็นไปนด้วยตามอำนาจของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้าขัดขวางมันมีธรรมเข้าเป็นเครื่องพิสูจน์จะต้องเป็นไ ป, น เ, ปนนเหมือนๆกันจึงเจ้าถือว่าใครดียิ่งกว่าใครไม่ได้ในระหว่างคนโง่คนฉลาดคนมีคนตนอันในเรื่องความสุขกับความทุกข์ นี่เราพูดถึงเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไปคนละแบบคนจนก็ทุกข์แบบหนึ่งคนมีก็ทุกข์แบบหนึ่งคนโง่ก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งคนฉลาดก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งเพราะทั้งสามสี่แบบนี้มันเป็นแบบของกิเลศดีเส้นบรรทัดให้ก้าวเดินไปตามมันทางนั้นไม่ใช่ทำเป็นเส้นบรรทัดขอให้ก้าวเดินถึงความสุขได้บ้างะ คนกังผู้จนก็อยากจะมั่งมีอเมันมีความสุกความสบายแล้วที่นี้มันก็ไม่สู้ไอ้ผู้มีแล้วก็ไม่พอแล้วผลสุดท้ายหาความสุขเพราะความจนความมีมันไม่เห็นที่ตรงไหนเพราะความมู่ความเจะหห์มันไม่เห็นเพราะหาไม่ถูกจุดของมันหาตามแบบของจิตเรศมันก็ได้เรื่องของจิตเรศขึ้นมาจิตเรศมันจะให้ความสุกความสบายจากโลกได้ยังไงนอกจากความทุกข์ความลำบาก มากน้อยที่แสดงขึ้นมามีแสดงตัวขึ้นม า, มากน้อยเท่านั้นเอนจ่างๆไม่มีทางางานาสงสัยถ้าเราได้รองไปตมอัดตำธรรมยิ่งจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมด้วยแล้วมันก็ติดทันทีติดไปเรื่อยๆติดธรรมการติดธรรมกับการติดโลกนี่ผิดกันการติดธรรมมากน้อยมีความดูดดื่มในธรรมนั่นแหละเรียกว่าติด คือเรายืดทางนี้ไม่ปล่อยไม่วางเหมือนเขาเดินทางเพื่อจุดหมายปลายทางทางนี้เป็นทางถูกเมื่อยืดได้แล้วไม่ปล่อยไม่วางแต่ว่าเขาติดทางก็ได้ไม่ไม่ติดทางไปไม่ถึงจุดหมายนี่ทมก็เหมือนกันต้องต้องยืดต้องเกาะต้องมีความพอใจในการที่จะก้าวเดินในการที่จะปฏิบัติต่อต่อทำเอาถึงทำละเอียดความถูละเอียดเท่าไหร่ความ ดูดดื่มก็ยิ่งมีกําลังมากความเห็นคุณค่าของธรรมหรือเห็นคุณของธรรมก็มีมากและขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสเป็นลาดับลําดามันก็ยิ่งหันหลังให้กิเลสเรื่อยๆหันหน้าเข้าสู่ธรรมความขี้เกียจขี้คร้านต่อธรรมแต่กลับไปมีความขายันหมั่นเพียรกับกิเลสนั้นมันก็กลับกันมากลายเป็นความขายันหมั่นเพียรในอัดในธรรมเสียทั้งสิ้นอันนี้ก็เห็น โทษของกิเลสเรยียว่าความขี้เกียจกี่ขั้นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออาจก็ทำนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเนี่ยมันก็รู้มันรู้ไปในตัวนั่นแหละสําคัญที่เราไม่รู้ฉากหลังของกิเลสที่มันติดแนบ ด, ด้านหลังเราอเมื่อเราจิตของเราส่งไปข้างหน้ามันบางครั้งไม่ส่งเสีย ไม่ใช่ทาบังคับไม่ส่งที่ทํำบังคับไม่ส่งกิเลสก็ฉุดลากความบังคับของธรรมนั้นออกเสียเป็นเอาควาบังคับของมันสวมบ่อยเข้าไปนี่สิที่มันเราไม่เห็นอัติเห็นธรรมเพราะเห็นนี้เดินจงกรมกว่าที่นั่งสมาธิภาวนากว่าทีตั้งกสติสตั้งในท่าใดียาบุตรใดก็ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาฉุดมาลากเอาสติอ น, นั้นออกเอา หลักวิชามันเข้าแทนที่วิชาของมันเข้าแทนที่ไปหมดเดีกหรือถ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินก็เดินไปอย่างนั้นจิตไม่ได้อยู่กับงานของตัวเองนั่นไปอยู่กับงานของกิเลสทั้งหมดนี่ที่มันสาคัญในขณะที่เราทําเราก็ไม่รู้ไหนมันผ่านไปมันก็รู้เองพอผ่านไปแล้วก็มองย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังเราถึงขั้นสติปัญญาขั้นเพียงกาแล้วมันรู้อันตรงนั้นมันรู้แล้ว มันแทกมาตรงไหนมันก็ทันกันทันกันแต่ธรรมดานี่มันไม่ทันแล้วไม่รู้โดยนุกรมันนั้นแหละเพราะมีแต่กิเลสจูงให้เดินไม่ใช่ทําจูงให้เดินนั่งกับกิเลสนี่แหละพาทําไม่ใช่ภาวนาแล้วมันพาวนไเลยวนไปวนมาเรื่องเรื่องของกิเลสทำเอาท่าไหนก็มีแต่ท่ากิเลสถ้าทําไม่มีแล้วจะเอาผลจากทําได้ยังไงเพราไม่ ม, ไมีจะผลมีกิเลส ที่ที่ทำความปเปาเพียงมาเป็นเวลานานหลายปีหลายเดือนไม่ไม่ปรากฏก็เพราะอันนี้เองมันสวมรอยสวม่อยสวม่อยไอเราไม่รู้ม่จะทำาไงการสอนก็สอนให้รู้ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นความริงลวง้ลวนที่พูดมาทั้งหมดไม่สงสัยในการสอนแต่ผู้ที่ยังจาไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามนิฐากรรมของกิเลสพาให้เป็นไปอยู่นั่นแหละทำนี้เอาจิงเอาจังดีสคัญ ความมุ่งมั่นนะเป็นหลักสำคัญมากที่จะทําให้เกิดกําลังใจขึ้นมาความมุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางของตนนั่นแหละมีกําลังมากแล้วสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปเช่นความเพียรความอดความทนมันหนักเป็นไปตามดูดดื่มกันไปคือมันดึงดูดกันไปเองความมุ่งมั่นมีน้อยหรือความมุ่งมั่นไม่มีไม่มีนี่มันยากมนลาบากนอกจากจะเป็นบางกรณี ที่ทำประธรรมนาธรรมนามันก็ไปะสะดุดเอเชื่ออันหนึ่งอธิษฐาที่นี่มันทําให้เกิดความดูดดึงขึ้นมาความดูดดึงมันนี่มันก็เป็นพลังอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสนใจใค่ที่จะพัฒนาปฏิบัติใครที่อยากจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นในสิ่งที่เคยเป็น น, นี่มันก็มีกาลังในปีนี้กับพระก็มากถึงไม่เคยมี ในตั้งแต่ตั้งวดัดมานี่มั้งสามสิบกว่าเนียว่าไงใครก็ยามอยู่ใครก็ยามอยู่ให้เราก็องสารเห็นใจเมื่อหนึ่งก็หนึง่งบวกกันก็ต้องเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปเรื่อยจนเป็นกระทั่งเต็มวัดนี่แล้วก็ให้พึงเห็นใจท่านใจเราเหมือนใจเราที่เข้ามาศึกษาอบรมเห็นใจองค์อื่นผู้อื่นให้เห็นเช่นเดียวกับใจของเรา มันจริงม่มีการกระทบกระทเรงกันมันจะไปชิดแยบในเรื่องของกุ้ยก็ตามก่อนอื่นต้องให้รู้เรื่องของตัวความเพื่อนไหวของจิตตัวเจ้าของซะ ก, ก่อนให้รู้รอบถ้าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องการมองกันในแง่ร้ายจะไม่ดีเลยพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมมองกันในแง่ร้ายนี่ยากมากต้องมองกันในแง่เหตุผลในแง่ความเมตตาในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกัน นี่เป็นธรรมยิ่งเดชอยากให้แสงขึ้นมาความสําคัญม่าตนดิบตนดีตนมีความรู้ความฉลาดถตนมีฐานะดีอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เป็นเรื่องของยิ่เดชจะมาทําลายในหัวใจตัวเองอีกด้วยให้ทันลงแล้วทําลายคนอื่นให้รับความเดือดร้อนได้รับความกระทบ ก, กระเทือนนี่แหละเรื่องของยิ่งเดชเองถ้าเรื่องของธรรมแล้วมาเถิดนั่ม สัพเพสัตตานว่าสัตต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นพวกเรารวมอยู่ในคําว่าประสัพเพสัตตานี้ทงนั้นต่างคนต่างมุ่งหวังต่อการคิดปฏิบัติต้องตั้งหน้าตั้งตาทํำพ่อวัดปฏิบัติอยาได้คิดว่าองค์นั้นจะทําปุ น, นี้จะทําเมื่อเมื่อตั้งเป็นเวละก็เพื่อให้มันเหมาะสมก็ทํามันเป็นมาลาจริงๆถึงแม้ตั้งก็ กิจการใด ใ, ให้ถือว่าเป็นกิจเป็นการโดยของและให้มีสติสัมปชัญญะติดแนบอยู่ ก, กับงานทั้งตัวที่ทําในข้อวัดต่างๆเป็นการฝึกเหมือนกับเราเดินจงกรมนั่นเดินจงกรมเราเดินเพื่ออะไรก็เพื่อรักาษาจิตนั่งก็นั่งเพื่อรักาษาจิตทําข้อวัดปฏิบัติอัในใดก็เป็นกิจยาที่รักาษาจิตเหมือนกันสําหรับผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสต้องเป็นกิจยาแห่งการกระทธรรมเพื่อ ชำนาญกิจใจเพื่อความเปลี่ยนทั้งตนทั้งนั้นงานจิตภาวนาเป็นงานละเอียดมากจึงไม่ประสงค์จะให้งานใดเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งทาให้เสียได้ ง, งานก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ด้วยแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นค่าศึกต่อ ง, งานจิตภาวนาแล้วจึงต้องระมัดระวังสมัอ แม้เช่นั้นมันก็เป็นปไปจนได้เพราะกิจนั้นทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรามุ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สวมหล่อยอยู่นั้น ม, มันมีความอยากมันมีความดึงดูดไปในหันหลังให้ทำเพื่อหันหน้าให้กิเลสอโดยตรงดูด ล, งดดลึกๆนี่นั้นล่ะแฝงกันอย่างนั้นเราไม่รู้ถ้ายิ่งมีการมีงานอะไรขึ้นมาแล้วนั่นแหละช่องทางออกของกิเลสมันจะเลยแสดงตัวของมันเต็มทีเนี่ยหลังที่ที่เห็นกันนั่นเนี่ยดูสิ จะของดูจะของได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าดูมันก็ควรจะรู้นี่ดูไม่ได้ดูยากอะไรเลยแยบถนัดมันเคเห็นแต่รู้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยมีเคยเป็นอยู่เต็มโลกเตียมสารนอกใจกนั่งยังมันเคยมันเคยมีเคยเป็นใ น, นหัวใจเราด้วยทําไมจะไม่รู้เรื่องของหมามันต้องรู องปฏิบัติก็ยิ่งครับยิ่งแฉบสถานที่บําเพ็ญก็คับแคบเข้ามาเพราะโรคขาดโลกมันมีจํานวนมากขึ้นเรื่องราวทั้งหลายก็มากขึ้นมากขึ้น ต, ตามๆกันส่วนมากก็มีแต่เรื่องทีละทาลายความสงบสุขอันเป็นเรื่องของธรรมให้ขาดให้สิ้นสูญไปยังเหลือแต่คืนแต่ไฟเผาลมกันนะั่นแหละผู้ปฏิบัติึี่มีโอกาสเหมาะสมพอสมควรดังพวกเราที่เป็นพระนี้จึงควรเขมัรเขม้น ตั้ง อ, อกตังใจไปปฏิบัติทุกขยอมทุกเถิดทุกในการต่อส TA in <head> right, ู้กิเลสไม่ใช่ทุกเพราะการต่อสู้กับธรรมนี่นะธรรมท่ามันมีอะไรพอจะให้ต่อสู้ท่านท่าไม่เป็นขั้นสิกต่อผู้ใดีต่อสู้ที่บึกเบือนนี้มีล้วนแน่ตั้งแต่ต่อสู้กิเลสเพื่อเล็ดรอดออกไปทั้งนั้นเนี่ยยากลําบากก็ต้องเห็นว่าการต่อสู้กิเลสนี่ เป็นคู่อีิกันกับเราให้ถือไปทำไมจะให้ชนะจนได้ถ้าเราอดแอะั้งเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือการแพร่กิเลสความมันแอเป็นเรื่องของกิเลสนี่จะไม่แพร่มันได้อย่างไงความท้อแท้เรื่อยๆความไม่เอาไหนด้วยแล้วก็ยิ่งกิเลสทั้งกองยเต็มไปในหัวใจการภาวนาให้สังเกตเจ้ของหรือภาวนายังไง กำหนดด้วยทายําบุใดมันเหมาะกับจดิตเมื่อกําหนดตรงไปแล้วจิตจะรับความสะดวกสบายเบาใจไปเลยก่อนทำบทนั้นแต่สติต้องเป็นพื้นสําคัญมากไม่ว่าจะทาําบุใดถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งนั้นบริกรรมก็ว่าไปจิตไปอยู่โน่นเป็นตัวเพียงคาําบริกรรมติดปากเฉยติดความคิดเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ให้มีความจงใจให้รู้ยทุกระยะระยะระยะนัเเบาก็ให้รู้มันหนักมันเบาเรื่องความกลัวเป็นกลัวตายนั้นมันเป็นเรื่องของกิลเลสอันหนึ่งอีกแทรกเข้ามาความที่อยากจะรู้ความจริงนั่นอะเป็นเรื่องของธรรมธรรมไม่เคยตายจิตไม่เคยตายกลัวหาอะไรความจริงที่เราจะรู้จะเห็นกรเหมือนกันไม่ใช่ตายไปที่ไหนอยู่กับเราผูกต้องการความจริงกินาลงไป ให้รู้ให้เห็นแต่จิตถ้าเราลองได้เบิกทิเด็ดออกไปกว้างออกไปกว้างพัดแหลก็ยิ่งมีความสุขความสบายเบาใจไปเรื่อยเรื่อยาจนให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วมันไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีฐานที่อะไรทั้งนั้นมันไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปสู่ เข้ไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นจะเอาอะไรมายุ่งอความยุ่งกับเรื่องของสมมุติดนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นิ้นจุดอันนี้แล้วมันก็ไม่มี อ, อะไรดูแต่ธาตุแต่ขันแต่ติการมันไปยุ่งอย่าง น, นี่ก็ยุ่งก็ให้รู้ก็รู้มันเสียโดยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเวลานี้มันยุ่งกับติดกับการงานอันใดมันก็รู้อยู่เสียนั้นไม่นเป็นกิเลสถ้าลงกิเลสไม่มีเนหัวใจแล้ว ทำอะไรลงไปมันก็ไม่เป็นที่เลยมันเป็นอัตโนมัติของเป็นหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นแต่มันมีตัวพริกอยู่ในนั้นมากน้อยจะต้องแสดงเป็นทันทีทันทีนมาศึกษาเวลามาศึกษาก็ตั้งใจศึกษาสิออกไปแล้วทะเลถลายเหมือนไม่มีครูมีอาจารย์อันนี้ผมอินอาราใจมากนะเดี๋ยวข้หมู่กับเพื่อน ถาไปแล้วทะเลถลายเสน่หถลายใต้ไ ห, หต ไ, ห ไ, ไหนมันก็ปิดไม่อยู่การแสดงออกของเราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูคนอื่นจนได้แหละถ้ามันสัมผัสก็สัมพันธ์กับตาหูแล้วมันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยจาไปสัมบัติที่ไหนตาหูก็เป็นทางเดินของใจมันต้องเข้าที่นั่นแต่ไปแล้วก็เหมือนไม่มีหลัก ไ, ไม่มีเคยได้รับความอารมจากครูจากอาจารย์มา ข้อว่าปฏิบัติที่ควรจะรักษะสวนปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะจิตมันเหลวเหลวไหลนี่สิถึงข้างในยังตั้งไม่ได้ครอบวัดปฏิบัติก็ควรจะตั้งได้พไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยแล้วยิ่งภายในก็ตั้งหลักตั้งเก็ฑได้ดูได้ด้วยแล้วสิ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกันเพราะฉะนั้นผู้มีหลักจิตการดําเนินปฏิบาาัติเป็นสม่ำเสมอ แล้วผู้มียิ่งเป็นผู้มีจิตอันตายตัวด้วยแล้วหลักปฏิปทาก็เป็นธรรมชาติตาย ต, ายตัวไม่ลดไม่หย่อนด้วความต้องแท้อ่อนแอด้วยความเลี้ยวไหลถ้าลดหย่อนก็ลดหย่อนไปตามเหตุการณ์มันเท่านั้นหลักใจจึงเป็นหลักสำคัญของปฏิปทาคือเรื่องดำเนินทั้งหลาย เวลาเขา้ารรษานี่ยจะไม่มีการมีงานอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ประกอบแต่ความภาพอย่า ง, งนี้งตนอย่ามองดูไหนนอกจากหัวใจดวงนี้ดวงก่อเหตุนี่แหละเจ้าเหตุอยู่ที่หัวใจให้ดูมาให้ดีอันนี้เป็นตัวก่อเหตุดูตัวนี้จะรู้ย่อมรู้แลวผมพูดอะไรมากมาได น, นั้นก็จะพูดเพียงเท่านี้แหละนะเห น, นืหนื่องเหนึ่อยอ่ะละพอ แล้วคำว่าอาวาสก็หมายถึงกำแพงวัดนี่นะพอเข้าใจแล้วไม่ได้เลยถ้ายังไม่สว่างเป็นมันใหม่แล้วยังห้ามออกจากเขตวัดถ้าออกแล้วก็ขาดภรษาทางคำที่กล่าวนี้ก็แปล ใ, ให้ง่ายๆฟังกันง่ายๆก็พระเจ้าจะอยู่จำภรษาที่นี่ตลอดใจมากคือสามเดือน ยพยายามตั้งอกตั้งใจคิดปฏิบัติธุ้ดวงขวัดที่เขมธานยังไงก็ให้ดำเนินตามนั้นเช่นธุ้ดวงขวัดการไม่รับอาหารที่เขาตามมานครอแม่ครูวาจารพาดำเนินมาท่านรู้สึกว่าท่านหนักแน่นมากพรแม่ครูวัดในเรื่องธุ้ดวงข ว, วัตข้อนี้ หลัไปมันจะไม่มีเหลืออียิงนี่ันไม่เห็นเลยทุดโง13สามข้อมีบัญญัติที่ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องชำระก่เ็สทั้งหมดเมื่อไม่มีอันนี้แล้วจะอะไรไปชำรักี่เลส น, นี่แหละักใหญ่ตรงนี้้ารปฏิบัติเอาเท่ น, นั้นนะการเขาวันษาก็เข้าใจกันแล้วนะไม่พูดอะไรมากวันนี้เหนื่อย เพราะมันเหนื่อยมาหลายวันแล้ว